ไอ้ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันก็ไม่มีอย่างอื่นนะก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่นั่นแนะต้องบำเพ็ญไตรลักษณ์นาณนี่ให้เกิดขึ้นในใจเสมอเสมอต้องให้เกิดความรู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั่นนะ ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งงาบทั้งละเอียดอย่างงี้นะต้องให้เห็นชัดด้วยด้วยปัญญาอยู่นั่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลักษณะสามประการนี้กํากับอยู่ด้วยหมดเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ตลอดถึงเสียงถึงสี ต่างๆหมู่นี้นะเอะสีดําสีแดงสีขาวสีเหลืองสีมุย้ยสีอะไรหมู่นี้มันก็อาศัยรูปอันยำหยาบอันนี้แหละเป็นอยู่ท่านเรียกว่าอุปทัยยาูปไปว่ารูปอาศัยเสียงต่างๆก็อาศัยรูปอันนี้ถ้ารูปอันนี้มิบัดตรงแล้วเสียงก็ดังไม่ได้เลยอออย่างนี้เนหะละเราต้องพิจารณาให้ละเอียดลงไป แต่คนเราก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วพอเราเห็นคนใดเนี่ยมีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใ ย, ยเขาว่านะไรเนี่ยอ่พอเห็นเข้านี่ยเกิดชอบใจขึ้นมาละแหมคนนี้สวยผิวพรรณผุดพองจริงอ่อหน้าชมหน้าเชยจริงๆเพราะว่านี่เนี่ยแล้วก็เอาเลยจิตแปร ป, ปรวนไปแล้วแบบนี้นะอ่ามันเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ท่วงเข้าไปจริงๆนะมันก็ไม่น่ายินดีพอใจอะไระเพราะว่าผิวพันธุ์ที่เป็นสีเนื้อสีแดงสีเหลืองอะไรปรากฏอยู่ตามร่างกายหรือบนใบหน้าอะไรหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นเลือดทั้งนั้นเลยนะวิ่งเนี่ยผู้ใดเลือดมันดีหน่อย อย่างนี้นะมันวิ่งไปได้สะดวกเลือดมันแล่นไปแล่นไปทั่วสารพังร่างกายเนี่ยไปได้สะดวกเนี่ยมันก็ทําไม่ร่างกายพวกนั้นมีผิวพันธุ์ผุดพองอหน้าตาแดงผิวพันธุ์ตามแขนตามตัวตาอะไรพวกนี้ผุดพองดีนั่นแสดงว่าเลือดมันสม่ำเสมอเลือดมันไม่เสียอ่าผู้ใ ด, ดเลือดจาง ผิวพันุ์ก็ไม่ค่อยพุดพองเท่าไหร่หน้ า, นาผิวพันุ์ก็ไม่ค่อยแดงไม่ค่อยเปล่งปังคำว่าเลือดมันจางเนี่นั่นแหละอาศัยเลือดต่างหางนี้อันผิวพันธุเปล่งปังอันนี้นะนั้นแล้วก็เพ่งดูว่าอา้าเลือดต่างหากนะรู้ว่จ้ของไม่เที่ยง น, นนะนั่นเองหมูนี่เราจะไปยินดียินไลอะไรกับมันนอะ เพราะว่าเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วมันไม่ใช่มันจะเปล่งปังอยู่นั้นตลอดไปนะผิวพรรณของคนนะเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วก็สุบสิทธ์แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปแล้ววันนี้กระสุบสิทธ์แล้ ว, อลวไอ้ผิวพรรณที่เปล่งปังในะก่อนนั้นก็หายไปไหนไม่รู้นี่อย่างนี้เราต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้นะนะเมื่อเราพิจารณาโดยอาศัยสมาธิเป็น เป็นพื้นฐานแล้วก็มาเจริญปัญญาไขควรอยู่ภายในนี่ให้มั่มากเอาไยมันก็เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไตรลักษณะานยานยานายันคือความรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันก็ปรากฏยานที่สองรู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละ ย, ยานที่สามก็ปรากฏว่าเพราะร่างกายนี้มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง มันจึงไม่ใช่ของเราก็ความจริงมันมีอย่างนี้นี่แล้วเพ่งพิจารณาให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นในสามลักษณะนี้เสมอเสมอแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็คลายความรักความชังลงไปได้แต่ว่าต้องรู้อยู่ภายในนะเราจะท่งออกไปรู้อยู่ข้างนอกไม่ได้ความต้องกำหนดรู้อยู่ภายในความรู้สึกอ น, นั้น เห็นความไม่เที่ยงก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นเห็นความทุกข์ทนได้ยากลำบากก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นอย่างนี้นะเห็นความเป็นนักตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็เห็นอยู่ในความรู้อันนั้นอย่าไปส่งออกไปเห็นอยู่ข้างนอกนู้นไม่ไม่ได้เมื่อมันเห็นอยู่ในจิตใจอันเป็นปัจจันั่นแหละมันก็ตัดสินลงได้ เออจริงทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นทุกข์ทนได้ยากจริงถ้าหากว่ามันเที่ยงมันจะไม่มันก็จะแ ต, แตกจะดับหรือมันจะพลาญผันหรือเนี่ยในตัวเองก็ตั้งปัญหาถามตัวเองตัวเองก็ตอบตัวเองไปเรื่อยๆตัวเองก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะออถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วอย่านี่ความมันมันก็ไม่มีแหละความทุกข์ไม่มีนะ่ะ ทุกขังกับไปบะทนได้ยากนี้ทนได้ยากก็คือร่างกายอันนี้แหละถ้าเราลงไม่ไม่รับประทานอาหารสักสองสวันดูสิเนี่ยมันก็กวนกระวายเนี่ยไฟถาดก็ร้อนไม่มีอาหารจะย่อยกเผากระเพาะล้วมส่ปวดท้องเนี่ยอเข้าไปแล้ววันนี้เนี้มันเป็นอย่างนี้แหละทุกขังไปบะทนได้ยากมันก็มาจากความไม่เที่ยงนั้นเลยมันจึงทนได้ยากลาบากอย่างนั้นเนี่ย เราพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งในใจอย่างนี้นะเสมอเสมอเลยอย่าไปนึวกว่าเรารู้นล้วแหละอันนี้จังทุกคังหนาตาไม่จะ่เป็นต้องพีรนะอะไรอีกหรอกเอออย่าไปเราต้องเพ่งเข้าไปภายในนุ่นเอาถ้าว่าเรารู้จริงๆลองไอ้ให้ใจมันยับยั้งอยู่ในภายในในปัจจุบันลองดูสิอย่างนี้นะถ้ามันรู้จริงๆอะ่ะมันอยู่ได้ไหมนี่นะ เออถ้ามันจิตมันยับยั้งอยู่ได้มันรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่มันไม่คิดพุ่งทรางไปทางอื่นอะไรอย่างนี้อ่าการพิจารณาลักษณะทั้งสามประการมันกระแจมแจ้งขึ้นมาจริงๆเลยแบบนี้เออันนั้นก็เรียกว่ามันรู้แบบนี้นะมันรู้แล้วแบบนี้เมื่อไม่รักษาความรู้อันนั้นไปมันก็เสื่อมได้เหมือนกันนะนี่มันเสื่อมดังนั้นแหละเมื่อเรารู้อย่างนั้นชัดแล้วจะเลยก็ต่อไปก็พยายามรักษาความรู้ชัดอันนั้น ไว้เสมอเสมอไปถ้าถ้ามันความรู้อัไรมาค่อยถอยมันเติมลงไปแล้วก็พยายามเพ่งพิจารณาให้มันรู้ยิ่งขึ้นมาเหมือนเดิมอีก อ, อย่างนี้นะการพิจารณาต ร, ายรัยลัคนญาณน่ะมันจะยิ่งมันจะแก่กล้าขึ้นไปเพราะเราทำอยู่เราก็ทำอบายเนี่ยภายในใจอยู่เสมอเสมออย่างนี้แหละให้ฟาการเข้าใจ นี่หละคนเรามันก็มาติดอยู่อัตตาคือตัวตนนี้เองแี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อมันมาถือมันตัามีตัวมีตนแล้วนี่มันทําชั่วได้ทุกอย่างเลยแบนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อมันมีตัวมีตนเขาแล้วมันแข็งกระด้างแล้วแบนี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเป็นอะไรเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจึงทำบาปได้ ผู้ที่ไม่ทําบาปนั่นผู้ละบาปได้นั่นเพราะว่าพิจารณาเห็นร่างกายนี้ไม่มีแก่นฐานอะไรเลยมันมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทําลายลงเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะจะใช้ไปทําบาปทําไมนี้อย่างนี้ผู้มีปัญญามันก็สอนตนเข้าไปพี่นาเข้าไปเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทําบาปนั้นแหละ พอผู้ไม่ทําบาปได้เด็ดขาดออกมาจริงๆก็คือภูร์ละความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่แหละละความเห็นอันนี้นะอกอกจากจิตใจให้ได้นะอให้ความเห็นที่ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาที่เกิดขึ้นมาแทนท่านอย่างนี้แล้วคู่นั้นจะไม่ทําบาปเด็ดขาดเลยอย่างพระโสดาบันอย่างนี้นะก็พระท่านเห็น แจ้งในไตรลักษณะญาณในขันห้านี่แหละตามเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเพราะเหตุนั้นพระสวัสดิจึงละบาปได้ขาดเด็ดไปเลยอันเป็นอย่างนั้นดังนั้นในการปฏิบัติธรรมของคุธทธาริษัททั้งหลายก็ต้องมุ่งอย่างนั้นที่มุ่งให้มันพ้นจากอำนาจของบาปกรรมความชั่วต่างๆนี่นะ อย่าไปอย่าไปมุงไอ้มรคนิพพานนู้นทีทเดียวเลยดอกเอา้ามุงให้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันระงับดับไปจาก จ, จิตใจนี่เพราะบางทีนะมันก็มีโกรธอยู่ยงเงี้ยไม่มากก็ น, น้อยนะนี่แหละเชื้อของบาปมันยังมีอยู่นี่ออต้องให้เข้าใจดังนั้นบางทีมันก็มีโลภอยู่เห็น คนอื่นมีอะไรมีสิ่งของอะไรมากกว่าต้นตนไม่มีก็อยากได้เห่งเล็งอยู่นั่นแล้วอยากได้อันนี้นะความโลภอันส่วนละเอียดแต่ไม่ถึงกับไปกี้ไปปร้นไปแย่งเอาของเขาหรอกแต่ว่าในภายในใจมันอยากได้อยู่นันอยากได้ของเขามาเป็นโคกตัวนี่ลองพิสูจน์ดูมีไหมในใจของเราอย่างนี้ มันยังมีไหมเนี่ยพิสูจนให้รู้เช่นอย่างเป็นภิกษุสามเณรนืออ้อวสกวาทิกาเขาตามเลยเมื่อเห็นภิกษุ ร, รูปใดรูปหนึ่งมีเครื่องใช้ไม่สอยดีกัวตัวออย่างนี้นะได้รับอนุเคราะห์จากภุรคู่ใหญ่มากไอตัวน้่ไม่ได้อย่างเนี้ยก็ น, น้อยใจเนี่ยมีไหมให้ดูใจของเรา นั่นแหละที่มันเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าไอสิ่งของบางอย่างนั่นมันมีจำกัดอย่างนี้นะแล้วจะไม่สามารถที่จะแบ่งให้ทั่วถึงกันได้อย่างนี้นะแล้ววันนี้เมื่อเราพิจารณาเมื่อผู้ผู้ผู้หลักผู้เป็นหลักผู้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา พิจารณาเห็นว่าผู้ใดทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากผู้ใดได้ช่วยกิจการคณะสงฆ์ได้มากอย่างนี้นะมันก็ควรให้แก่ผู้นั้นยกย่องผู้นั้นไปก่อนอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละการที่คนเราทําอะไรลงไปแล้วมันมีเหตุผลนะัะปราชญ์ทั้งหลายท่านทําอะไรมีเหตุผลแต่พุิชชนเห็นนักปราชญ์ทำอะไรลงไปแล้วไม่รู้เหตุผลของท่านก็ไปยกโทษท่านก็มี หาว่าท่านลำเอียงอย่างนี้อย่างนั้นไปสะพืดสะเพื่อไอ้เช่นนี้นะเราต้องเรียนรู้นะต้องเข้าใจเหตุผลเออถ้าจะพูดว่าถ้าสิ่งของอะไรมันมีมากพอจะแจกให้ทั่วถึงแล้เพื่อนกักไปเสียไม่ยอมแจกให้ทั่วถึงให้ไปได้บางหมู่บางพวกบางหมู่ไม่ได้อย่างนี้เออหน้าเพ่งเล็งอันนั้นนะหน้า ว, วิจารณ์กันโย่ว่า ผู้เป็นประมุขผู้เป็นหัวหน้าลำเอียงจะว่าก็ถูกได้อันนั้นนะของมีควรจะแจกให้ทั่วถึงกันอยู่ไม่ไม่แจกให้ทั่ ว, นะวย อ, อย่างนี้นะควรทำนี่ได้เลยอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจเอาเมื่อเราทำความดีไปมากๆเข้าไปไม่เห็นแก่ไม่ไม่หวังผลตอบแทนอะไร เอาหน้าที่ของเรามีอย่างไรเราก็ทำไปอยู่อย่างนั้นนะใครจะให้อะไรก็ตามไม่ให้ก็ชั่งหน้าที่เราจะต้องทำความดีอย่างนี้เราก็ต้องทำไปถ้าผูใ้ใดค้มหน้าทำความดีไปอย่างนั้นไม่ท้ไม่ถอยไอ้ผลแห่งความดีที่พนนั้นทำโดยความจริงใจอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดขึ้น อ, อันนั้นมันก็ย่อมวันดานให้มีให้เป็นไปได้ มันเห็นมันนเห็นผลมันหรอกเราจะไปชิงสุกก่อนห้ามการทําความดีนะเราทําไปทําไว้เมื่อความดีแล้วนะมันเข้าขั้นแล้วมันสุกงอมเข้าไปแล้วนี่มันก็หล่นลงจากต้นมาแค่มันผลไม้ก็ดีได้บริโภคกันแหละมันเป็นอย่างงั้นถ้ามันยังไม่สุกงอมมันก็ยังหล่นลงจากต้นไม่ได้ผลไม้นั่นนะออันนี้ฉันใจเหมือนกันเนี่ยการทําความดี ถ้าหากว่ายังมันยังไม่เข้าขั้นที่จะให้ผลเช่นนี้แล้วมันก็ยังให้ผลไม่ได้อให้เข้าใจอย่างที่นั่นแห ล, ละการแสดงธรรมนี่ย้ำเรื่องนี้ให้มากมากเพราะว่าคนมักจะลืมไม่ไม่เป็นไม่ได้พิจารณาเรื่องอย่างนี้ให้มากเลยเหตุนั้น่ะมันถึงได้เกิดอิจฉาริษยาตาร้นกันต่างต่งนนา น, า <im it> นี่ให้ผู้ที่รู้เหตุประจันนี้ดี อย่างน้องครูเนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่โน่นนะอ้าว อ, อยู่กับหมูกับเพื่อนปฏิบัติตครู่าอาจารย์อยู่อย่างนี้บางองค์บางท่านน่ะครู่าอาจารย์กระสงเคาะด้วยเครื่องใช้ไม่สอยพิเศษเพื่อนได้ไหมไอเราไม่ได้เราก็นึกว่าอ่อไอเราทำความดียังไม่พอมันก็เป็นธรรมดาและ เพื่อนได้ดีได้ดีเพื่อนก็ทําความดีได้มากกลัวเราเอาเราจะต้องคมหน้าทําความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้นะสอนตัวเองเข้าไปนี่ก็ตั้งหน้าทําความดีไปให้สม่ําเสมอไปเราไม่คิดว่าเอา้าใครได้รับสงเคราะห์มากคนเราก็ทำํำสิงานน่ะไม่เราไม่คิดอย่างนั้นเลยอ้อาว จะได้รับสงาะหรือไม่ได้รับสงฆะอะไรจากใครก็ช่างหน้าที่กิจวัตรของเรามีอย่างนี้เราจะต้องทาอย่างนี้เช่นอุปชายวัดมีเรามีหน้าที่ปฏิบัติอุปชาอาจารย์เราก็ปฏิบัติไปอาจรรย์วัดเราอยู่กับอาจารย์เราก็ปฏิบัติอาจารย์ไปอาจารย์จะให้อะไรไม่ให้อะไรก็ช่างแล้วกิจวัตรต่างๆ หมนิมันมีหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องทำานะแล้วก็ต้องทำกันทั้งนั้นเลยเอมันเป็นอย่างั้นเราจะไม่ตอดไม่ตกไ ม, ไ ม, ไม่ทิ้งให้คนนน้นทำคนนี้ทำใครเห็นว่าคนทำอย่างไรแล้วก็ลงมือทำไปเลยอย่างนี้เพราะว่าข้อว่าปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่เป็นของลึกล้ำมา จ, จะมองไม่เห็นเลยถ้าเอาใจใส่แล้วมองเห็นแน่นั่นแหละถ้าไม่เอาใจใส่มันก็มองไม่เห็นเลย ส่งใจไปทางอื่นนูนมันจะรู้ได้ยังไงล่ะมันจะทําได้ยังไงอ่ะใจไปเพราะว่าขวนอยู่กับเรื่องอื่นโน้นอย่างนี้นะไอ้เรื่องที่เป็นกิจจวัตรที่ควรทํานี่มันรู้ไม่ได้เลยมันก็ทําไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้ปาร์กันเข้าใจการเราทําข้อวัดปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้ มันก็ให้นึกเสียว่าเหมือนกับเราอยู่ใกล้กับอุปชาอาจารย์นั่นแหละถ้าจะมีอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยใกล้ชิดยังไงแต่ถ้าเราเกียจคร้านจะไม่ทําความเพียรไม่ทําจิจวัตรการไหวพระภาวนาก็เอาแต่มันแต่ขี้ค้านแล้วก็ไม่ทําอย่างนี้นะแล้วเช่นนีนะ้มันจะไปเจริญได้ยังไงอ่ะเม้นมีจะอุปชาแนะนําอยู่ทุกวันทุกวันก็ตาม ถ้าตนไม่ทำแล้วมันก็เล้ยวเท่านั้นแหละก้าวหน้าไปไม่ได้แล้วจิตใจอันนี้นะให้เข้าใจถึงว่าไม่มีอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยแต่เมื่อเพื่อนให้ข้อวัดปฏิบัติเพื่อนแนะนำสั่งสอนแนวทางปฏิบัติอย่างนี้เราก็จำาไว้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามไปไม่ท้อไม่ถอยไม่ประมาท จนว่าใจนะมันรวมลงได้มันส ง, งบได้มันเยือกเย็นกิเลสอันหยาบช้าลามกไม่ครอบงาจิตใจอย่างนี้นะมันก็เห็นเออมันก็คล้ายๆกับว่าอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยแหละ ว, วันนี้นะมันก็มีได้ความอุ่นใจนะดังที่พระพุทธเจ้าตัดแกะพระวัคกคการินั่นเองดูก่อนว่า ก, การิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราถาคตอืมอย่างนี้ท่าน พรคาริท่านก็พิจารณาลงไปจนใ้เห็นแจ้งในธรรมของจริงนะังท่านจึงได้เห็นวนะ่าโอ้พระพุทธเจ้าก็คือธรรมของจริงนี่หนาความบริสุทธิ์นี่หนอต่อจากนั้นท่านก็ไ ป, ไปนั่งเหงนหน้าดูพระพุทธเจ้าแล้วบวะนี่พราเห็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมแล้วนี้เอทำนี่ทั้งหากทําให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะฉะนั้นเราจะ ดูพระพุทธเจ้าเราต้องดูที่ใจตัวเองบริสุทธิ์จากกิเลสป่าประธรรมหรือยังอ่ะออย่างนี้นะถ้าเห็นว่าจิตใจตัวบริสุทธิ์จากกิเลสป่าป่าประธรรมอยู่นี่ก็เท่ากับว่าเห็นองค์พระพุทธเจ้าถ้าบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างนี่ก็เห็นได้เป็นบางเสี้ยวบางส่วน่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ่ะต้องให้เข้าใจอย่างนี้ เพราะว่าอุปชาอาจารย์นี่เพื่อนก็มีภาระมากบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปอย่างนี้เราผู้เป็นลูกศิษย์นี่ก็พยายามฝึกตนไปให้มันดีไปทรงธรรมทรงวินัยไว้ให้ได้แล้วเมื่อไม่มีครูอุปชาอาจารย์แล้วอย่างนี้เราลูกศิษย์ก็สืบทอดข้อวัดปฏิบัตินี่ไปก็เป็นประโยชน์ต่อเนื่องกันไป ต่อไปเบื้งหน้าเราก็จะเท่าแก่ชราเหมือนกับอุปช า, าจานนี่แหละว่างั้นเมื่อเวลาเรายังหนุ่มยังมีกำลังดีอยู่เราจะต้องทำความเพียรให้เข้มงวดปวดขันเข้าไปเบิกใจให้มันหนักแน่นในธรรมในวินัยเข้าไปให้หนักแน่นในระเบียบแบบแผนต่างๆไม่ให้มันเบื่อหน่ายต่อ ข้อวัดปฏิบัติหรือแบบแผนอันดีงามต่างๆที่เราทำกันมา อ, มอย่างนี้อย่างที่แนะนำมาเรื่องการขบชันนี่ก็สำคัญอะนั้นอย่าอย่าให้พระแห่งอื่นซึ่งเพื่อนมาพักด้วยนี่นะแล้วจะไม่เห็นความเหลวไหลาการขบการชันของเราเงี้ยไม่สมควรนะต้องรักษาจรรยามารยาให้ดี ไม่ควรที่จะไปทำอะไรเกะกะละลานไปทั่วต้องรักษาความสงบให้ได้ต้องสงบสงเยี่ยมพูดกันก็อย่าไปพูดเสียงดังในในทินที่ไม่ควรพูดนะนั่นน่ะไอ้พูดเสียงดังนี่อย่างเช่นว่าเราอยู่ห่างกันพูดกันไม่ค่อได้ยินเท่าไหร่ถ้าพูดเบาก็ไม่ได้ยินอย่างนี้ล้วก็พูด ดังๆขึ้นหน่อยพอให้มันได้ยินกัน อ, อย่างนี้แต่ถ้าอยู่ใกล้กันในี่ก็ไม่จำเป็นต้องไปพ่นวาจาเอาไปดังเอาเสียคือกล้องไปอย่างนี้นะมันไม่ถูกกับเรื่องสมณะเพศสมณะแปลว่าผู้สงบระ ง, งับอย่างนี้นะเนี่ยก็ฟังเอาสิถ้าเราไปพูดอโหงโงงเช็ง ไปดังสนั่นวันไหวเวงนั้นมันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่ผู้สงบระงับเอ่มันเป็นงั้นแสดงว่าจิตใจนี่มันไม่สงบเละมันจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจาอ่มันมันมันส่อมันส่อให้เห็นได้อ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาจิตใจตัวเองนี่แหละรักษาจิตดวงนี้ไว้ให้ได้ การที่เราทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้ น, นก็เพื่อให้ใจมันจดจ่ออยู่ในข้อปฏิบัติจะให้มันส่งออกไปทางอื่นทางไกลนี่มันก็เป็นอุบายวิธีฝึก ก, กิจอย่างหนึ่งนะการทำกิจวัดวรรนี่นะให้เข้าใจแล้วก็ทำให้ตรงตามเวลาด้วยอย่าไปอืด อ, อัดยืดยากอย่างเช่นมาทาวัรรมอย่างนี้นะไม่ควรนะที่จะให้มันเลยเวลาไป เรากท็ทุกคนต้องรู้เวลาอยู่นี่พอได้ยินเสียงะระฆังแล้วนี่ก็รีบเตรียมตัวอย่างนี้นะถ้าเราเอาใจใส่จริงจังนะถ้่คนที่ไม่เอาใจใส่ได้ยินเสียงะระฆังก็เฉยแต่ทำาน้นทำนี่ไปอย่างนี้จนถึงเวลานมนานแล้วจึงค่อยมาเนมนาเพื่อนววมกันอยู่สลาหมดแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยโกยโกยมาทีหลังอย่างนี้ ไอ้ น, นี่มันไม่ไม่ดีเนะี่ยอย่าไปทำนะนิสัยอย่างนี้อย่าไปฝึกอยู่ที่ไหนไม่มีใครเขายินดีด้วยหรอกนิสัยแบบนั้นนะ น, นี่เนี่ยให้เข้าใจเมื่อเราอยู่กับหมู่แล้วมันต้องทำอะไรต้องให้มันแสดงความพร้อมเพียงกันให้มันปรากฏเมื่อเรา ม, มีความพร้อมเพียงกันอย่างนี่ความรังเกียจกับมันก็ไม่มีแล้ววันนี้นะมันก็ชื่นชมยินดีต่อกันอะไรกันแหละอ่า นัดกันเวลาไหนอย่างนี้ก็ต้องทาเวลาให้มันทันกับเวลาต้องไปให้มันทันกับเวลาอย่างนี้นะจะฝึกตนไปอย่างนี้ผู้ใดยังล่าหลังอยู่นี่ก็ให้ตื่นตัววันนี้นะฝึกตนอย่าไปถือเอาความชอบใจขอตนเป็นใหญ่มันไม่ได้ไม่ได้การไปถือเอาความชอบใจของตนเป็นใหญ่จ่ไม่ได้สะสมกิเลส ให้หนาแน่นขึ้นไปทั้งนั้นเลยให้เข้าใจมันต้องเอาระเบียบเป็นประมาณนะเอาระเป็นเอาระเบียบเป็นเครื่องฝึกตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาละเราจะตั้งใจทำอะไรให้มันทันกับเวลาันเป็นระเบียบเราจะสามาคีกับโมกับเพื่อนเราก็เป็นนักบวดผู้หวัง ความพ้นทุกข์พนภัยผู้หนึ่งไม่ใช่เราบวชเล่นบวชลองบวชคลองประเวณีบวชหนีสงสารบวชขรางเข้าสุขอย่างที่ท่านกล่าวไว้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ว่างั้นเราบวชเพื่อแสวงหาทางพ้ทุกขจริงๆนี่เราจึงได้มาอยู่ในป่าเขาเราเน่าภัยอย่างนี้ก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละเรื่องมันน่ะมันก็มันก็ทําความดีได้แต่วันนี้มันทํำก็ว่าปฏิบัติทันกับวลมเวลาได้ อย่างเช่นหัวลุ่งนี่ก็เคยเตือนแล้วก่อนนอนอธิษฐานใจไว้ให้เรานอนนี่เราจะไม่นอนเพื่อความสุขสนุกสนานเราน อ, นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วเมื่อตื่นขึ้นรู้สึกตั ว, วเราจะรีบลุกขึ้นทำความเพียร แต่แวอาาธิฐานไจไหว้ขออำนาจคุณพระรัตนนยบตไตบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้อขอให้ข้าพระเจ้านี้ได้ตื่นทันกับเวลาทำกิจวัตรส่วนรวม